วันนี้ในช่วงตอนท้ายของสุรารรพูทอะอิสลามนะมีเนื้อหาที่น่าสนใจมากเราศึกษากันมาเนะี่ยครั้งนี้เป็นครั้งที่ไรนะเป็นครั้งที่เป็นสิบแล้วหลายสิบครั้งนะครับทำดุลละในวันนี้ชาวบอสอยู่ในช่วงสุดท้ายระยะที่120ร้อยี่สิบถึงร้อยี่สิบสานะฮะก็จะจบในส่วนของสุรารรพูทธะอิสลามเราก็เลยก็ว่าท่องไปในอัลกุรอานซึ่งในวันนี้เนี่ยบอกขาวดีกับพี่น้องว่าอัลลอฮฺสุคฮานหวัวตาได้สรุป การเล่าทั้งหมดนี้เนี่ยเอาเราเป็นผู้เล่านะครผมหรือว่ารอซูนโซลอเวนซัมเองเนี่ยแล้วก็บรรดาคนที่นาําเอาเนื้อหาไปบอกต่อเนี่ยเพียงแค่เป็นผู้ส่งสารแต่ผู้ที่เล่าเนี่ยเราต้องตำหนักเสมอว่าที่เราศึกษาเราได้รับรู้เนี่ยเป็นการเล่าจากอัลลอฮ์โดยเฉพาะในซูร์ฮูดนี้เนี่ยมีเรื่องร า, าวของรอซูนหลายท่านที่เราได้ศึกษากันไปแล้วในบีนวัวกลุ่มชนของท่านนบีฮูด กุมชนอาร์ตนบีซานาบีโซเล่กลุมชนสมูธนะน บ, บีอะไรครัชบชราเฟชาวเมืองบัตย์นันนะครับน บ, บีลูธกลุมชนของท่านนบี บ, บรหีพี่บริการไปเยีย่ยมแล้วก็มาน บ, บีมูซาที่ไปด้าวฟาโร่หลายท่านด้วยการที่เอาล้อหยิบยกมาเป็นบทเรียนแล้วลงเป็นผู้เล่าในวันนี้ประมาณสี่อายะนะครับเราะได้สรุปให้กับพวกเราเนี่ยว่า การเล่าของพระองค์เป็นอย่างไรบ้างนะครับแต่ผมจะอ่านเนื้อหาทั้งหมดเลยนะครับแลวเราจะมาศึกษาเรียนรู้และไขข้อควาบกันในชองัลอบิลลามณษัยตันรจิสลามิลลาฮิราะหมานุรรจีมวะคุลลันคุุอะลัยกมินอัมบอลรุสุลีมานุบิตุบิฮฟูอาดัก ว่าจะค فِي هذه َ الحق َ وموعظة ََْ وذكرى َِ للمؤمنين ُ وقل َُ الذين َ لا يؤمنون َِ ع م ل و ا على مكانتكم ََُ إ ن ّ ا عاملون وانتظروا إننا منتظرون َ والله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه وما ربك بغا فين عم ا تعملون الله سبحانه وتعالى กล่าวไว้สี่อายสุดท้ายนะครับสุรฟูดมื่อกีบอกกับพี่น้องว่าในสุรทิลเลอร์เล่าเรื่องราวของนบีละสุลเนี่ยเยอะมาก และหลังจากนั้นก็เป็นสุรรยูซุฟอัล伊斯兰เอาละก็เล่าเรื่องราวที่เชิงละเอียดในเรื่องราวคนระบียยุซุฟอัลามและกลุ่มคนต่างๆที่เป็นคนที่อยู่ใกล้ชิดกันนบรบียยุซุฟพี่น้องของท่านคุณพ่อคุณแม่ชาวเมืองอียิปต์อะไรต่างๆมากมายนะครับสองสุร้อนี้ยังเป็นสุร้อนใกล้เคียงกันแล้วก็เนื้อหาเกี่ยวกับการเล่ากันนะครับเราได้บอกว่ากุณล่ะว่าคุณล่ะและทั้งหมดนี้ ภาษาอักุลัน ว, ว่าทั้งหมดว่ากุลันนะกุสุอันนี้จริงๆแล้วนะครับว่ากุลันในภาษาอังกฤษเรียกว่ามาฟอูลุมปีแปลว่าเป็นกรรมของประโยคกรรมบางทีเนี่ยขึ้นมาข้างหน้าเนื่องจากต้องการที่จะเน้นถึงเรื่องราวในภาษาไทยก็มีนะฮะเช่นครับว่าตลาดไฟไหมไกับไฟไหมตลาดแล้วก็การเน้นเน้นที่ตัวเหตุการแล้วก็บอกว่าไฟไหมตลาด ถ้าเน้นที่ตัวสถานที่ก็คือตลาดไฟไหมเป็นต้นนะครอาจะเป็นเน้นที่ตัวสิ่งที่ถูกกระทําก็ได้ข้าวเขากินกันหมดแล้วอนี้เน้นที่ตัวข้าวเขาเพวกเขากินข้าวันหมดแล้วหมายถึงว่าเน้นตัวบุคคลอันนี้ในภาษาไทยก็ปีนะครับในอันพูดอ่านก็เช่นเดกันอันไหนที่จุดไหนที่สําคัญหรือต้องการที่จะเน้นเนี่ยอัลลอฮฺสุบฮานาอฺจะจะนำขึ้นก่อนวกุลและทั้งหมด ถึงว่าเน้นที่อะไรฮะเน้นที่เรื่องราวทั้งหมดที่อัลลอฮ์เล่ามาเนี่ยนางุสุอะเลยกเราเป็นผู้เล่าให้แก่เจ้าใครผู้เราครับอัลลอ์อ่าแสดงว่าเอ่อเราก็ต้องกระหนักว่าอยายะนี้เนี่ยจะถูกผูกโยงไปตอนตน้นช่วงแรกๆเลยนะฮะอลิฟลามรอที่อัลลอ์ได้บอกอลีฟลามรอข้อมูลในอะัลกุราอาเนี่ยถูกร้อยเรียงจากอัลลอฮ์ เริต้ด้วยกับอลิฟลามร็มรอตร็อตใช้อักษรเดียวกับที่ชาวอาหรับเขาใช้กันแต่ว่าไม่มีใครสามารถที่จะประพันธ์ได้แล้วฮารุฟอัวตาอไเหล่านี้เี่ยที่อุลามาก็บอกว่ามักจะตามมนุ้ประมาณ 99.9 เเลยนะแต่อันกุรานเนี่ยมักจะตามมาด้วยการกล่าวถึงอันกุรานเป็นการท้าทายชาวอาหรับและมนุษย์ทั่วโลกในว่าหากกล่าวหาว่ามุฮัมหมัดสโลลลอวะอะลัยวุสสลามเป็นผู้ปั้นแต่งอันกุรานขึ้นมา ก็จงแต่งขึ้นมาให้เหมือนกับที่มูฮัมหมัดแต่งเพราะมูฮัมหมัดซาลลาฮฺวะสัลลาฮไม่ได้แต่งด้วยกับอักษรประหลาดใดนอกจากอักษรที่พวกท่านใช้กันอยู่ปัจจุบันนี้ก็คืออะลิฟลากรอเห็นไหมครัดังนั้นเนี่ยในช่วงท้ายอัลลอฮฺมานะอีกทีว่ากุลันนาบุสสูเราเป็นผู้เล่าใครเป็นผู้เล่าอัลลอฮฺไม่ใช่ท่านในบีศซาลลาฮฺเป็นผู้อุปโลกแต่งขึ้นมาเอง Allah บอกว่าพระองค์หรือว่าเราเป็นผู้เล่าให้แก่ท่านนาบีสุลต่ามได้ฟังอ่ะข้าานี้เนี่ยสอดคล้องกับตอนตอน้นที่เราบอก Allah เ, w, เ, w, เ, w, เ, เ, เล่าเนี่ยเป็นไงฮะเล่าอย่างละเอียดเล่าอย่างละเอียดและมีฮิตมาสองอย่างตอนต้นของข้อาานี้เราบอกว่ากีตาบุญปุกขีมัอัลยัตุบุษมมะฟุสซิลัดมิลลัดุนฮะกีมินขอบิลคำพิลมหนึ่ง ที่อายาของบันเถูกร้อยดีว่ากิมาตยาตมมูซุมมาฟุสิลัสหลังจากนั้นถูกอธิบายอย่างละเอียดเนืน่องจากมาจากวิเรนฮากรีมที่ถูกร้อยดียังเป็นละเบียดเนืน่องจากมาจากฮากีมคือผู้มีปีชาญานผู้มีฮทคมะคอบีรและมาจากผู้ที่รอบรู้อย่างลึกซึง้งดังนั้นจินซุมมาฟุสิลัสถูกเอามาอธิบายอย่างละเอียดดังนั้นเนื้อหาที่เราได้ศึกษาตลอด สุรัตน์อุตตระเทอิสลามเี่ยจึงเป็นเนื้อหาที่ถูกร้อยได้อย่างมี้ิกมขาขณะเดยียวกันก็ละเอียดละเอียดที่พูดมาว่าละเอียดในสิ่งที่เจ้าหมายถึงท่านนบี ส, สุรัตน์และมนุษยชาติที่ปฏิบัติตามท่านเนี่ยจําเป็นจะต้องรู้ถามว่ามีเรื่องอื่นอีกไหมมีเราไม่เล่าเพราะถ้าเล่าไปมากกว่านี้จะเป็นสิ่งที่ไม่จําเป็นแล้ะเราเล่าเฉพาะสิ่งที่จําเป็นนะนั้นนี่ก็เป็นเทคนิคในการเล่าไม่ใช่เล่าอาทุกเรื่องและพี่น้องดูในกุตราเนี่ ย, อ เ, ยเออ การเล่าขออัลลอฮ์เนี่ยในแต่ละสุร้อนแต่ละส่วนไม่เหมือนกันอย่างเช่นในสุร้อนนาซีอัตที่ผมนําเสนอในการวันลาหยานะนะเลาเล่าแบบกระชับรัดกลุมเนื่องจากเป็นสุระอนที่บากียและสุร้อนแบบสั้นๆสั้นๆและเล่าประเด็นที่สําคัญอย่างในเรื่องดาวนาบีมูซาเนี่ยมีหลายช่วงหลายตอนใช่ไหมครัในสุร้อนนาซีอัตเนี่ยต้องการจะหยิบยกบางช่วงช่วงที่นบีมูซาอนอิสลามรับว่าให้จาอัลลอฮ์ที่อัลลอฮ์เรียกนบีมูซาที่พเขาตูร์ซีนัย แล้วสั่งให้ไปหาฟิรอาแล้วบอกฟิร์ล เ, เป็นใครแล้วก็ปะสู้อย่างชัดเจนอย่างสั้นๆกระชับรัะตุมนะครัังนั้นนี่คือศิลปะในการเล่าเนี่ยสามารถที่จะเรียนรู้ได้จากการเล่าข้ออัลลอฮ์บางทีเรื่องเดียวกันเขาบอกนะครอันนี้เนี่ยนะักเล่าในปัจจุบันนี้เขาเอามาพูดแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยข้อมูลที่เยอะอย่าะเดียวอาจจะไม่เป็นประโยชน์บางคนเขามีเรื่องเดียวแต่เขาสามารถที่จะเล่า ในหลายหายครั้งเนี่ยมันมีบทเรียนที่แตกต่างกันทั้งสิ้นเรื่องเดียวกันเนื่องจากมองกันคนละมุมอันนี้ประโยชน์ของฮิกมะประโยชน์ของคนที่สามารถจะถอดบทเรียนได้อลลอฮฺสุบฮานีเป็นเจ้าของเรื่องมันเป็นทายีมเรื่องเดียวเนี่ยเดบีมูซาอัลลอฮฺเล่าในตำนานผู้ร่านเยอะมากหรือเรื่องเราวของเดบีฮุดเดบีโซลเเละเดบีชเอฟเนี่ยในผู้ร่านมีหลายซุร้อแต่อัลลอฮฺเล่าเนี่ยสอดคล้องกับบทเรียนของแต่ละซุร้อนแต่ละเรื่องราว บางทีแค่เราอาจจะยาวบางทีอาจจะสัน้นเรื่องราวเรืนว่าหางระิสรามก็เช่นเดียวกันนะแต่นั้นนี่คือประโยชน์ของการใครคนผู้อ่านแล้วก็ประโยชน์ของการมีฮฮกมะอลัลลบอกว่ายุบดิลเฮกมะจะม่ยาชาอาลัลลอฮจะให้อีกเฮกมะหรือความปรัดเพื่อหรือปรัชยาแก่คนที่อลัลลอฮฺประสง์ว่ามายุติเรืกมะใครก็ตามที่รับเฮกมะเนี่ยฟะตูที่คอยรอยกยระสีรด้รับความผิดมากไปแม้บางทีเนี่ยจะมีก้อนความรู้ไม่เยอะแต่ในใจเฮกมะสามารถที่จะ มีความรู้ที่มันแตกออกไปมากมายเช่นอิบรามชาฟีเรให้มาวนลว้อนท่านเป็นคนที่ปรับเตือ ม, มีข้อมูลุระการศาสนานนแน้นแล้วนะฮะแต่ว่าเรื่องเดียวฮัตติสเดียวท่านสามารถจะถอดบทเรียนเช่นฮัตตเกี่ยวกับอะไรนะเกี่ยวกับอาอบารุมีร์ซึ่งเป็นน้องชายของนัสอันลันนนสกิุูมาลิกเนี่ยสัตว์หรือว่านกมันเสียไปนกตาย และนก็ไปหาเขายาอาบยาอาบอุมียาฟะเลนูเวรโออับูอุมเอยตัวนกน้อยเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นกับมันฮาิสบทนี้สั้นๆนะฮะแต่อิมามชูฟีสามารถถอดบทเรียนได้70บทเรียนไปถึงอะไรฮะเจบทเรียนนี่คือ70 70จความรู้จากหาิสบทเดียวนี้ก็เช่นเดียวกันนี่คือประโยชน์ของการที่เราได้ศึกษาอุลรานุรานี่คือ คำพีที่มีเนื้อหาและมีมีตัวบทจำกัดสุระจจำกัดคำจำกัดอายะต่างๆเนี่ยจำกัดกุพันกว่าอายะแต่สิ่งที่ไม่จำกัดคืออะไรฮะคือข้อมูลความรู้เนื่องจากอะไรฮะเนื่องจากมันสามารถที่จะให้ควนบทเรียนต่างๆเนี่ยถูกผดออกมาเนื่องจากเป็นคัมภีรฮาจีมทินกอายะตุมพิตาบินฮาจีมเป็นคัมภีร์ที่มีฮิตุมาและนี่คือจุดสําคัญนะฮะ การศึกษาผู้อานจะไปต้องมีการใ่้ควรไม่ต้องใ่้ควรเพื่อที่จะไขเอาฝุ่นคลังความรู้มากมายที่ไม่มีที่สิน้นสุดเพราะเป็นความรู้ของเราแล้วเราบอกเวลายู่ใตู้น่ะมีชายินมีไอ้มีฮิและมีมาช่าไม่มีใครที่ครอบความรู้หนึ่ความรู้ใดของเราแนี่เป็นทลังความรู้มากมายขออัลลอฮ์สุภาาห์หัวต่อแล้วครับแล้วเราจึงบอกดะกุสซูอาลิกะเราได้เล่าให้แก่เจ้าโอ้พี่น้องเราเลยการเล่าใครเล่าให้ใครครับอัลลอฮ์ไม่ทำอะไร เราเล่าให้ใครให้บุคคลที่พระองค์รักว่ากที่สุดในโลกนี้ได้ใช้เล่าเรื่องวีดีโอแน่นอนต้องเป็นเรื่องที่สําคัญเรามาสรุปให้เน่ยเราเราได้เล่าให้แก่เจ้าเราเรื่องใครครับวอลล์ไม่ใช่เรื่องคนที่โ น, โนเนมนะมินอัมบาอิรซุลเล่าจากเรื่องราวของบรรดารซูลก่อนๆเล่าเรื่องโมเสสก่อนๆเซเล็ปที่เคยเสียชีวิตมาก่อนแล้วเคยสแสดงบทบาท อย่างดีงานในยุค ข, ของท่านสมัยนะั้นเมื่อก่อนแล้วเบีนวัวเดบใครก็รู้จักปัจจุบันนี้ยังคงเป็นที่รู้จักโนอาใช่ไหมครับเบีมูดเดบีซอแล้วเบีท่านต่างๆเป็นที่รู้จักกันทั้งสิ้นนะฮะเบีรู้อะไรเบีมูซาโมเสกที่เป็นที่รู้จักแต่นั้นเนี่ยใครเป็นผู้เล่าเอาละเล่าเล่าอะไรฮะเล่าให้แก่ใครท่านเดบีซอเราเล่าเรื่องราวอะไรฮะมินอัมบาอิลรูซุนจากเรื่องราวหรือข่าวคราวของบรรดารอซุนทั้งหลายเอาละและท่านเดบีก็เป็นรอซุนท่านหนึ่ง ที่กำลังแสดงบทบาทการเป็นรอสูรและถูกต่อต้านจากชาวบูเรชหรือบรรดาคนที่ไม่เห็นด้วยเราจึงบอกว่าที่เล่านี้ในมีจุดประสงค์อันนี้คือจุดประสงค์นะครับสำหรับคนที่กําลังเครียดกับชีวิตหรืออะไรก็ตามเนี่ยการศึกษาอันเฉพาะเรื่องราวต่างๆเหล่านี้เนี่ยช่วยทําให้จิตใจสงบเสริมสร้างกําลังใจทําให้จิตใจหนักแน่นเพราะเราบอกมาดูสิบีตูบีฟูอาดเพื่อทําให้จิตใจของเจ้าหนักแน่น มีความสงบแต่ถ้าใครเป็นโรคซึมเศร้าเครียดศึกษาอัลุรอาโดยเฉพาะศึกษาอุรอโดยรวมนะฮะโดยเฉพาะเรื anya, ่องราวต่างๆที่เป็นเรื่องเล่าท level ี่เป็นข้อที <lab> ่จริงนะฮะในอัลกุรอานเพราะว่าบอกว่าคำที่ท่านอบีเนี like ่ยสงบใจนุสบิตุบีฮิฟูอัดนะฮะนี่ก็เป็นเขาเรียกว่าหลังจากเล่าจบแล้วเนี่ยบอกถึงจุดประสงค์บอกถึงบทเรียนว่าเล่าเพื่ออะไร ทำให้เราได้มีสงบใจในส่วนหนึ่งก็คือเราบอกในปัญญาญาณว่ากุศลเนี่ยทยอยลงมาเรื่อยๆแต่ที่เราศึกษาก็เราศึษากาศษาเรื่อยๆเหตุผลหนึ่งเหตุมาหนึ่งก็คือเพื่อที่จะได้หัวใจดีเกิดความเข้มแข็งเช่นเดียวกันดังนั้นในการศึกษาแบบค่อยเป็นค่อยไปเรื่อยๆนะฮะเป็นสิ่งที่ดีทําให้ใจิตใจหนักแน่นมั่นคงกับอระเจ้าสุภะานั่นก็ต่อแล้วเราบอกต่อไปว่จะอากา และได้มาอย่างเจ้าแล้วฟีฮาดีฮีในฮาดีฮีนี่อาจจะกลับไปฟีฮาดีฮีสุร้อนในสุร้อนนี้หรือฟีฮาดีอัลอัมบะหรืออัมบาอิรอซุลในเรื่องราวของรอซุลเหล่านี้รอซูลเหล่านี้หรือในหรือในสุร้อนนี้ได้มาแล้วในเรื่องราวของเรอซูลเหล่านี้หรือในสุร้อนนี้เนี่ยอัลฮักตัอะไรมาแล้วสัจรธรรมอันนี้คือจุดเด่นของอัลกุรอานที่อื่นจะไม่มี อัักฮักนคือความจริงความจริงที่มันไม่ใช่เป็นเรื่องที่ปั้นแต่งขึ้นมาแต่เป็นเรื่องความจริงมันยังไงฮะเป็นความจริงเรื่องไงความจริงที่มันไม่มีทางเปลี่ยนแปลงนึก เ, เอาไว้แต่ว่าความจริงไหมฮะความจริงก็คือสามารถพิสูตรได้เหมือนกับวิทยาศาสตร์หลักการทางวิทยาศาสตร์นับคือใครใครก็ตามที่ดำเนินแบบนี้เนี่ยก็จะเกิดแบบนี้คือความจริง ไม่ได้เป็นโอพิเนียแต่เป็นแฟกต์โอพนเนียนี่คือความคิดเห็นอาจจะไม่ใช่ก็ได้ถูกมีผิดมีแต่ที่จะล้อเล่ า, เ, ลาเนี่ยไม่มีโอพิเนียทั้งสินน้นนะคคือเป็นแฟกต์เป็นข้อเท็จจริงเกิดขึ้นจริงและใครก็ตามที่ดำเนินตามแบบนี้เนี่ยมันก็จะเกิดแบบนี้ทั้งสิน้นผมยกตัวอย่างว่าเช่นน้ำเนี่ยจะเดือดที่ร้อยองศาใครก็ตามที่ไปต้มน้ามันก็จะเดือดที่ร้อยองศา ใครเอาน้ําไปแช่แข็งจุดเยือกแข็งก็คือศูนย์องศาเหมือนกันนะครับใครจะเนี่ยเหมือนกันหมดไม่มีการยกเว้นเพราะโลกนี้เนี่ยเราอยู่บนความจริงเดียวกันสัญธรรมเดียวกันเร า, าสุภาฮานว่าเอาเรื่องราวเหล่านี้มาเล่าเนี่ยไม่ใช่เล่าแล้วก็จบโอเคมุมของการที่จะจะลงใจเนี่ยได้เรียบร้อยแหละแต่มุมหนึ่งก็คือเป็นมุมที่เราจะต้องเข้าใจว่านี่เหมือนกับเป็นทางสูตรทางวิทยาศาสตร์นะฮะว่า ทดลองมาก่อนแล้วถามว่าเราจําเป็นจะต้องเป็นลองใหม่อีกทีไหมครับมันจะเป็นอันนี้สูตรของนักิกนัวิทยาศาสตร์หรือว่าคนที่จะดําเนินชีวิตต่อไปในยุคที่อดีตผ่านไปแล้วนะจะเป็นมุมใดก็าตามเนี่ยเขาใช้สูตรนี้สูตรคือเอาความจริงที่คนสมัยก่อนบรรลุสู่จุดนั้นเนี่ยเอามาต่อยอดแม้แต่ศาสตร์ด้านการสร้างสารรค์ต่างๆสิ่งต่างๆในโลกนี้เช่นนะเขาบอกฝรั่งเขาพูดว่าเวลาเราจะสร้างรถเนี่ย ไม่ต้องไปเริ่มไปเริ่มสร้างร้อใหม่ทำไมฮะเคยได้ยินประโยคนี้ไหมครัทำไมต้องไป่ไปเริ่มสร้างร้อใหม่จะจะไปสร้างล้อใหม่มเหรคุณเ้าสร้างมาก่อนแล้วเราไปต่อยอดความรู้ของเขาเนี่ยต่อขึ้นไปอีกเช่นเดียวกันข้อเท็จจริงเหล่านี้เนี่ยคือเราทราบแล้วมันดําเนินไปเนี่ยเราปฏิบัติตามข้อเท็จจริงหรือว่าเอาข้อเท็จจริงนี้เนี่ยมาใช้เป็นหลักการในการดําเนินชีวิตไม่ต้องไปลองผิดลองถูกใหม่ไม่ต้องไป สงสัยเครื่มงแพงอะไรต่างๆนะเพราะอะไรฮะเพราะจริงๆแล้วแต่ความจริเหล่านี้เนี่ยเราอาจจะมันมันอาจจะมันอยู่คุณีาพกับเราแต่ Allah ห ب ح ุ ن ه และเตาระก็ให้เราเห็นมานักต่อนักเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นจะเป็นอะไรก็ตามนะฮะเกิดไฟไหม้เกิดเอ่อซูนามิเกิดเหตุการณ์ต่างๆที่ไม่ดีต่างๆมันก็เป็นบทเรียนชัดเจนว่ามีที่มาที่ไปที่ล l l a h سبحانه และเตาระให้เกิดขึ้นนะครับว่าจะเกิดฟีนาทีเหตุผลดันั้นเนี่ย สัจธรรมได้มาแล้วในเรื่องราวแบบนี้ต้อจากสัจธรรมแล้วนะฮะมาแต่ข้อเท็จจริงเป็นแฝงแล้วเนี่ยสองวาเมาก อ, อิซอนุนและยังมาเป็นการตักเตือนไม่ได้มาแค่ข้อเท็จจริงธรรมดาเพราะข้อเท็จจริงอาจจะมาในเชิงที่ข้อเท็จจริงเรารู้หรือที่บอกว่าน้ํา เ, เดือดที่ร้อองศาเยือกแข็งที่สุนยองศานี่ข้อเท็จจริง แต่ความท้จริงที่มันอาจจะไม่ได้กระทบกับใครอ่ะถ้าฉันทําน้ำํำไม่แข็งเนี่ยมันก็อาจจะไม่ได้กระทบกับชีวิตเท่าไหร่นะแต่ข้อเท้จริงตรงนี้เนี่ยนอกจากนั้นเนี่ยยังมีป่วมาไวซ้ซองเป็นข้อตักเตือนสังทับคนที่ไม่ปฏิบัติตามเนี่ยต้องถูกตักเตือนเพราะมันจะเกิดอันตรายกับเขาข้อเแท้จริงที่ว่านี้ จะเกิดอันตรายกับคนที่ไม่ปฏิบัติตามข้อเท็จจริงดังกล่าวที่เราเล่าเอามาเนี่ยคงไม่ไม่ต้องมาพี่น้องก็ทราบดีแล้วนะครับว่ามีเรื่องราวอะไรบ้างที่เราเล่าเอามาไล่นบีและเราซูนที่ผ่ า, น, า, า, านมาวา่ายิครอนอกแต่นั้นแล้วเนี่ยะเป็นข้อเตือนแล้วนะวายิคลอเนี่เป็นข้อร้ำลึกอาจจะแตกต่างเนี่มา อ, อีซอสนี่คือการเตือนการสำทับแต่วายดิคลอเนี่คือเป็นวิครอ์นี่เป็นอะไรฮะเป็นข้อล้ำลึกข้อล้ำลึกไปถึงว่า เป็นสิ่งที่เหมือนกับว่าตัวละครแสดงเรารู้ว่าฉากสุดท้ายจะเป็นอย่างไรแม้เรื่องราวมันจะดูเหมือนว่าออมันแย่เรากำลังแสดงแล้วก็สแสดงบท่าทอยู่ขณะนี้รู้สึกว่าแย่หลึกๆมุสลิมบรรดาผู้ศรทัทธาในปัจจุบันนี้ใช่ไหมฮะเหตุการณ์ที่ออไปจนบังดิสมาสิทอฟซอรแล้วก็บรรดาบดีสรอยนหรือว่าชาวคัมภีร์ต่างๆที่เขาปฏิบัติอะไรเรารู้สึกว่ามน เหมือนกับจะไม่มีทางออกขนาะเดยียวกันถ้าเราย้อนไปทางประวัติศาสตร์เนี่ยคือปานนาบีและเราซูดเนี่ยอยู่ในสภาพที่เราดูนึกถึงเรื่องราวของนบีรูทนะครับเหมือนกับจะไม่มีทางออกเหมือนกันแต่สุดท้ายเนี่ยเราก็ให้มาเฉยๆให้มานบบามาเลก้ามาสามทัแล้วมาหามาพูดคุยและพวก น, นี้คือยิ่งขึ้นนบีรูทจะไม่ทราบว่า น, นั่นคือมาเลก้า เสร็จพวกนี้ก็มันจะมาทําสิ่งที่ไม่ดีงามกับประดามาเิการด้วยซ้าไปแต่บีรูษขนาดไม่มีอำนาจเราก็ตระหนักรูุ้ฒิสิ่งตอนที่ดูไม่มีอมนาใช่ไหมไม่มีอำนาจไม่ได้หมายถึงว่าเราต้องหยุดทําอะไรโดยสิ้นเชิงคือเราอาจจะเข้าใจว่าเราต้องทําอะไรที่มันได้แบบว่าเหมือก็บคนที่มีอำนาจแต่ตอนนี้เราไม่ออมรับเราไม่มีอำนาจเหมือนกับสมัยนบีรุษในอิสลามแต่ท่านพูดชัดเจนนะครับว่าเราอันดาลีมีกลุ่มกัวถ้าฉันมีอำนาจแล้วมีอำนาจเดี๋ยพวกท่านเดื๋ยพวกเจ้าแล้วจะทําอะไรจะจัดการใช่ไหะ จัดการได้ความผิดธรรเกิดขึ้นบนโลกนี้ผู้ที่กาลังเบียดเบยจะทำสิ่งที่ไม่ถูกต้องเอาเอารูกอะไรนะครเอาเอลารลุกนินชนิดถืว่าฉันจะไปพึ่งพากับใครนี่ก็ไม่ได้รุกนินชนิดก็ไม่มีในปัจจุบันนี้ก็ดูเหมือนเอ่อโลก islam ของมุสลิมเราเนี่ยก็จะไม่มีรุกนินชนิดไม่มีกลุ่มประเทศที่จะให้ที่พักพิงหรือจะให้เสียงที่คัดค้านอํานาจของประเทศมหาอำนาจอย่างอเมริกาหรื อ, อ, อ, อ, อ, อตะตะกบอะไรดูเหมือนว่าจะเป็นแบบนั้น อันนั้นคือหน้าที่ของเราคือการการทําอะไรสักอย่างให้มันดีขึ้นโอเคเรามีความหวังที่มันมันมากกว่านั้นแต่บางทีเราอาจจะทําอะไรไม่ได้นะครับนบีลุตอไลสันก็ทําอะไรไม่ได้ท่านก็ได้ตักเตือนบอกว่าอย่าทําแบบนี้นี่มีเ อ, อ่อมีผู้หญิงเนะี่ยทำไมไม่แต่งงานด้วยทำไมต้องมาทําอะไรที่ทําให้ฉันขยันหน้าอย่าทําร้ายแขกของฉันนบีลูตอไลิสานก็ทําเป็นสุดความสามารถนะคนั้นนี่เป็นบริครอปลิกรอนี่ ม่ได้เป็นข้อม า, าอีซ้อนอย่างเดียวซิกรอนี่คือเหมือนกับเป็นข้อลําลึกแล้วก็เป็นเป็นกำลังใจให้กับบรรดาผู้ศรัทธาซิกรอซิกรอนี่คือมาจากติเกสใช่ไหมครัซิกรอเป็นข้อตักเตือนหรือข้อล้ำลึกมากกว่าข้อรําลึกทําให้ผู้ศรัทธารู้ว่าแม้เหตุการณ์จะเป็นอย่างไรก็ตามเนี่ยอย่าลืมว่ายังคงมีอัลลอฮฺสุบฮานาฮฺตลอดดูแลอยู่ซิกรอนลิ้นมุบีดิดลเลยบอกว่าซิกรอนี่เป็นข้อลําลึกสําหรับบรรดาผู้ศรัทธาทาน ผู้ศรัทธาเนี่ยเชื่อในเรื่องาราวเจอร์ลอสสุวะฮานอวุบะตาเล่าและเชื่อว่าเหตุการณ์เหล่านี้เนี่ยมันจะเกิดขึ้นแบบไม่ผิดเพี้ยนจากอดีตที่เคยเกิดมานะครับอายัดถัดมาก็ที่อยรราอยัดที่ร้อยี่สิบเอ็ดนะว่ากุลลิน ล, ล, ลัดีเนะีลายูมีนูนะเราก็สั่งให้ท่านนาบีกล่าวว่ากุลแล้วจงกล่าวกล่าวกับใครลิน ล, ล, ลัดนะีนียบรรดาผู้ที่ลายูมีนูนไม่ศรัทธา ให้กล่าวกับบรรดาผู้ปฏิเสธสถัทาหรือผู้ที่ไม่ศรัทธาไม่ศรัทธาต่อเรื่องราวเหล่านี้ไม่ศรัทธาต่อท่า ต, ตัวท่นนานอับดุลรับไม่ศรัทธาต่ออัลกุรอานคือไม่ศรัทธาทำอะไรฮะอยอามาลูอัม ล, อลมาการนติภูมจงปฏิบัติตามแนวทางของพวกท่านอินนาอามิลุนแท้จริงพวกเราก็คือบรรดาผู้ศรัทธาก็จะปฏิบัติเหมือนกันนะแสดงว่าทั้งผู้ปฏิเสธและผู้ศรัทธานต่างปฏิบัติแต่ปฏิบัติเหมือนกันไหมฮะ ไม่เหมือนกันอันนี้เป็นจุดนะฮะอารามบกาเนตตามแนวทางของพวกท่านแสดงว่าทุกคนเนี่ยการปฏิบัติของเขาเนี่ยขึ้นอยู่กับภายในนี่เป็นจุดที่สําคัญนะฮะการปฏิบัติของแต่ละคนเนี่ยขึ้นอยู่กับภายในอัลลอฮ์ให้ท่านอบีกําชับหรือบอกให้บรรดาผู้ปฏิบัติตามที่เหตุควรฟะมันฟะมันชาอัฟลยุบิวะมันชาอัฟลอยาฟู ใครก็ตามที่ประสงค์ก็จงศรัทธาวาปุริฮักบุบริรอปมีกุลจงกล่าวเถิดว่าศาสนาธรรมมาจากพระเจ้าของข้าพใครผสมประงจงศรัทธาใค ร, ระสมค์ะจงปฏิเสธอิสลามไม่ได้เป็นศาสนาที่มาบังคับแต่เป็นศาสนาที่ดาวะเผยแพร่นําเสนอว่ามาอรารัชซูลอิน ล, ลบาบลาหุบบุบิโรซูนไม่ได้มีหน้าที่ใด น, นอกจากบราระคือนําเสนอบราระนี่แปลวา่าบาระกอบลารกอบแปลวา่ลวาวทําให้บรรลุถึง มูบีอย่างชัดเจนดังนั้นนีคืออัลลอฮฺสุบฮานุวาตาเนี่ยห้ามท่านใีมิซิสไปนะคร บ, บอกว่าคือไอ้อะที่บอกว่าไม่มีการบังคับกันในศาสนาอีกนหนึ่งนะฮะแล้วก็ห้ามท่านในมิซิลลอฮ์บนทีทเ่เจ้าจะบังคับผู้คนให้ศรัทธาแม้พวกเขาจะรังเกียดอย่างนั้นหรือหมายถึงว่าอัลลอฮ์สัมภาษณ์ท่านในมิซจะไปบังคับเขาทําไมในเมื่อเขา ไม่ชอบที่จะศรัทธาต่ออัลลอฮ์สุบฮานวนไม่ชอบศรัทธาต่อโลกหน้าไม่ชอบการศรัทธาวัายเงินอิสลามจึงเป็นศาสนาที่มีความแฟมีความยุติธรรมที่สุดทุกคนมีสิทธิ์ที่จะปฏิเสธมีสิทธิ์ที่จะศรัทธาแต่ประเด็นคือจําเป็นต้องรับผิดชอบต่อการศรัทธาและการปฏิเสธนั้นๆบอกเลยและเช่นกันความศรัทธาและการปฏิเสธเนี่ยจะส่งผลต่อการปฏิบัติ การปฏิบัติเนี่ยอันเนื่องจากความศรัทธาทุกคนอินดามันอามาลูบินเนียการงานขึ้นอยู่กับเจตนาหรือว่าอยู่ในจิตใจดังนั้นเนี่ยทุกคนมีหมดอามาขึ้นอยู่กับเนียนทั้งสิ้นนะดังนั้นอิสลามจึงเป็นศาสนาที่สอนให้เอาใจใส่ภายในขอดภายนอกการปรับจิตใจเนียนภาษาอังนะฮะหรือปรับทัศนคติปรับมุมมองต่าง ก่อนจะนำสู่การปฏิบัติรักรักริสลาม5ประการนะฮะอัชฮะดัดอันดับแรกมีก่อนเลยละหมาดสกาดเสียมฮายชล้วนถูกบัญญัติส่วนใหญ่ในีที่มาดีนะทั้งสิ้นทุกอิสลามไ่าประกันแต่ที่มักการเนี่ยมีการมีการปฏิบัติแต่พูดถึงเรื่องของหลักศรัทธาเป็นอันดับแรกเป็นหลักศรัทธาคือไม่ใช้ว่าหลักศรัทธาที่เราเข้าใจกันอย่างเดียวนะฮะหลักศรัทธาเป็นโครงสร้างใหญ่ไม่ใช่ทุกหลักศรัทธา โครงสร้างใหญ่ของพระสัทภาและพูดถึงและพูดถึง ว, วิสัยทัศน์หรือวิชันพูดถึงการสัทผาต่อโลกหน้าที่ท่านยิ่งไอาชารอเตร็ดรอกว่าอันธาได้บอกนะครับว่าไอ้แรกๆที่รับประทานลงมาก็คือฤิ์ุนยศในจี ว, นนะ ว, วรนาก่าวถึงสวรรค์ก่อนถึงนรกเนืึกจากอะไรครัเนื่องจากการกราบถึงสวรรค์นรกเนี่ยเป็นการกล่าวให้เรามีเป้าหมายในชีวิตก่อนแล้วค่อยลงสู่การปฏิบัติถ้าคนที่ไม่มีเป้าหมายในชีวิตเนี่ย มันจะปฏิบัติไม่ได้จะปฏิบัติแล้วเนี่ยออมันไม่สอดคล้องกับธรรมชาติที่เร า, เาสุภานณ์โหดแต่กำหนดเอาไว้ผมเคยยกบประจำนะครับในสุราฟัติฮะเนี่ยเราพูดถึงอะไรก่อนนะมาลิเกิอัลมิดีผู้ทรงศิลนิวาตกแทนก่อนหลังจากนั้นค่อยพูดถึงอียกะกะนาอูดูอียะกะนาซีพูดถึงการกปฏิบัติแต่ทุกสําคัญคือคือการขัดเกลากลารเอาใจใส่ ด, ด้านภายในก่อนแล้วผลจากการขัดเกลารด้านภายในเนี่ยมันจะออกมาสู่ภายนอก ดังนั้นในท่านในปีจริงได้รับคําสั่งจากอัลลอฮ์เนี่ยว่าว่าก um ุลลิละตีนละยุมีนูนจงกล่าวแก่บรรดาผู้ไม่ศรัทธาเอามาลูอ้ลามัการนาติกุบจงปฏิบัติตามสภาพหรือตามแนวทางของพวกท่านอินนามพวกเราก็จะปฏิบัติตามแนวทางของพกเราแต่และคนรับผิดชอบอามันของตัวเองนี่คือโลกดุจยาเนะ่ยโลกดุจยาเป็นโลกแห่งอามันอามัมนี่คือการงานทุกคนจะทําอะไรทั้งสิ้น ส่วนมาเป็นโรกดีนี่คือโรคไม่ใช่โรกแห่งยุ่เหยิฉยโลกแห่งอามะแห่งการทุกคนในโรคโรกนี้เนี่ยล้วนแล้วแต่ต้องเข้าใจโครงสร้างพื้นฐานของโลกนี้ที่เราสร้างมาแล้วดารุลอามะไม่ใช่ดารุลจซะไม่ใช่โลกแห่งการตอบแทนโรกนี้เป็นโรคแห่งการปฏิบัติการกระทํำด้นที่อัลลอฮ์ที่อัลลอฮ์ให้เราเกิดมาเนี่ยเป็นโลกแห่งดารุลบาละโลกแห่งบททดสอบแห่งการทดสอบทุกอย่างเป็นบททดสอบหมดและส่วนของเรานี่คือทุกอย่างต้อง แปลงเป็นการการะทาที่ดีทั้งหมดอัลลอฮฺดีฮะละกากร์ม่าอัตตะวลัยยะกะลียะบุลุ่วกุมอมายุบุญอัลฮัสนูอัมัลละอัลลอฮ์คือผู้ที่สร้างความตายและการมีชีวิตเพื่อทดสอบพวกเจ้าเนีย่ยลียะบุลุ่วกุมเนี่ยเป็นหนะ้าที่อัลลอฮ์นะดารุบะละเราต้องเข้าใจมองอย่งเข้าใจจุดนี้สําคัญวนส่วนให ญ, ญ่ไม่เข้าใจประเด็นนี้ว่าโลกนี้เป็นโลกแห่งดารุบะละบะละนี่คือทดสอบทุกเรื่องเป็นบททดสอบทั้งหมดทุกเรื่องจะเป็นความดีเป็นความชั่วบางคนเข้าใจว่าโอ้ชีวิตฉันเนี่ยแย่ ทำไมอะช่วงที่กำลังถูกทดสอบถูกนะผู้ถูกต้องว่าเอออาจจะมีชีวิตทับแคหรืออะไรบางอย่างที่เป็นบทดสอบสอบตกตกงานเออเป็นนี่สิหรืออะไรก็ตามบทดสอบถูกต้องแต่ไม่ได้หมายถึงว่าคนที่เขาเออได้รับสิ่งดีงามอะไรต่างๆในโลกนี้บอกว่าโ อ, อ้ฉันไม่ได้รับบททดสอบไม่ใช่นะบทดสอบเหมือนกันอย่าเขา้าใจผิดทั้งสองเป็นบทดสอบแต่คนละข้อสอบ ทุกคนเนี่ยเลี้ยบรววกลุ่มเอาเราไม่ได้เวทถ้าใครมีโอกาสจะเสียชีวิตแล้วเขาได้มีชีวิตแล้วเนี่ยนะฮะก็คือพวกเราทุกคนเรามีโอกาสจะเสียชีวิตใช่ไหมแล้วก็มีชีวิตแล้วต่างกําลังอยู่ในดารุณไปแล้วโลกแห่งการทดสอบทั้งสิบมีบททดสอบทั้งสิบไม่ว่าจะเป็นความดีหรือความชัว่วดังนั้นเนี่ยเราจะไม่มองในมุมเฉพาะว่าอ๋อในช่วงนี้อยู่ยมีบทดสอบดังเยอะเกินไม่ฮะ คือการทำดุบบลแล้วบางทีเนี่ยช่วงที่เรารู้ว่าบททดสอบในไหนเป็นสิ่งที่ดีเพราะอะไรฮะเพราะว่าเรารู้รู้ข้อเท็จริงของโลกนี้แต่ถ้าใครดำเนินชีวิตในลักษณะที่ไม่ไม่ได้รู้ว่าเป็นบททดสอบอันนี้เนี่ยเกรงว่าเขาจะไม่เข้าใจเป้าหมายของโลกนี้เยลยะบนลูกมาแล้วก็ทดสอบทั้งสิ้นนะดังนั้นประเด็นก็คือความงดงามต่างๆอะไรก็ตามที่เราให้มาในโลกนี้เนี่ยเราต้องตระหนัก แต่หลักว่านั่นคือบททดสอบในตัวมันจะไม่เป็นดารุนจซะเป็นการตอบแทนผมพยกลตัวอย่างเช่นตอรูเนี่ยเข้าใจผิดอย่างมากคิดว่าตัวเองนี่คือมีความรบับรวยบ้างข้างเนีง่งเนื่องจากอะไรเนื่องจากตัวเองอันนี้ผิดแล้วนะครัก็คือเข้าใจว่านั่นคือการตอบแทนแล้วจากความรู้ความสามารถของตนทั้งที่ไม่ใช่นั่นเป็นบททดสอบโอเคเอาละอตเป็นผู้ให้เข้ามา ทรัพย์สินเงินทองมากมายใช่ไหมครับขณะดดวยกันในองค์หนึ่งเนี่ยเป็นการทดสอบว่าจะปฏิบัติอย่างไรไม่ยอมจสการไม่ยอมใช้เดินทางของร้องแสดงว่าบททดสอบก็ไม่ผ่านทุกคนก็ถูกบททดสอบทั้งหมดต่าง ก, กับที่ยกตัวอย่างคือดามิโซเลมาริสระเวลาท่านได้อนาจักรกว้างขวางทรัพย์สินเงินทองมากมายสามารถนําเอาบาลังของกษัตริย์บินพิสมาอยู่ต่อหน้าท่านในเวลาที่สั้นมาก พอท่านเห็นมาจากบัลลังก์ของบิลกิสกษัตริย์มือสบายเนี่ยมาอยู่ต่อหน้าท่านแล้วเนี่ยท่านพูดประโยคอะไรฮะฮดาดามิวฟ์ฟดิร็บีนั่นคือความบกพร่อของพระเจ้าของฉันไม่ไดีบนอัลลอฮ์และสองคือท่านเข้าใจทันทีว่านัน่นรู้ว่านั่นมาจากอัลลอฮ์แล้วเนี่ยแล้วยังมายืนยันว่าอัลลอฮ์ให้มาเนี่ยเหลือบนุวาดีเพื่อทดสอบฉันเห็นไหมฮะจริข้อแตกต่างดังนั้นเนี่ยในโลกนี้เนี่ยพี่น้อเอาเอาไปใช้เลยนะว่าไม่มีดารุจจะในโลกนี้ไม่มีไม่มี การตอบแทนที่แบบว่าไม่ไม่มีบททดสอบในตัวจะเป็นตําแหน่งที่เราเใหญ่โตขึ้นจะเป็นทรัพย์สินที่ได้เพิ่มพูนจะเป็นความรู้ที่ได้มาจะเป็นอะไรก็ตามที่อลัลลอฮฺให้มานะล้วนแล้วแต่อาจจะเป็นการตอบแทนใช่ในมุมหนึ่งอาจจะเป็นการตอบแทนวิญญาณทำความดีอัลลอฮฺให้เราปฏิบัติตามสุนัตุลอลอฮฺตอบแทนใช่แต่ในการตอบแทนในการความดีจะซะนี้นะฮะมันจะไม่สิ้นสุดแบบแบบสุด มันจะมีบาละในตัวเดียวกันในตัวการตอบแทนเนี่ยจะเป็นบททดสอบในตัวเดียวกั น, นสมมติว่าเรามีลูกหรือเรามีทรัพย์สินเงินทองเขาเป็นที่เป็นการตอบแทนอันที่เราบอกว่าฟักุลตุสตลซิโรรักรุ ม, มินาฮูกายนากฟารฟงจงกล่าว ฉันเนี่ ย, นยใ น, นบรบีนัวเนี่ยบอกกับกลุ่มชนว่าอิสติกฟ้าสิแท้จริงเราเป็นผู้อภัยโทษยุติศีลสมาอะไรคุณมิจิรเราจะประทานน้ำฝนมาอย่างมากมายพืชผลจะได้กอกเงยวัยยุมจิตคุมบีอัมวาลิว่าบารีนจะให้มีทรัพย์สินเพิ่มปูนจะให้มีลูกหลานเพิ่มปูนแสดงว่าอิสติกฟ้าคนดีหันกลับตัวเป็นคนดีเลาเราตอบแทนด้วยทรพัพย์สินลูกหลานเรื่องสวนไรนาอะไรต่างๆมากมายใช่ไหมในการตอบแทนไหมฮะในการตอบแทนแต่ขาะเดียวกันจะเป็นบททดสอบตัวในการตอบแทนนั้น จากการิสติดฟ้าได้มาซึ่งลูกหลานทรัพย์สินเนี่ยเป็นบททดสอบเพราะบอกยยๆหนึ่งอินนามะอัมวาลูกุมาอเอาลาดูกุฟิสนาแท้จริงทรัพย์สินและลูกหลานเป็นบททดสอบฟิสนา t h i คืออะไรครับไม่ใช่ความไม่ใช่บบฟินา t h i คือความยิ่งใหญ่ไม่ฟิสนา t h i ความหมายคือเป็นบททดสอบแสดงว่าอะไรครับแสดงว่าเข้าใจในโลกนี้โลกนี้คือนเที่ยวล้อให้มาะไรก็ตามนะฮะเป็นบททดสอบพี่ลองสังเกตดูนะว่ามันบททดสอบจริงๆผมคิดที่เห็นนะเด็กเนี่ยที่เกิดมาในโลกนี้นะฮะ ไม่มีอะไรเลยใช่ไหมครับตัวจทดสอบก็แหละเมื่อได้รับไม่มีอะไรเราเหมือนกันครับลองเยนยสมมุติว่าถ้าโทรศัพท์เนี่ยมันหยุดแค่โน้ตแปดเรามีโน้ตแแล้วใช่ไหมครับมันก็ไม่มีปัญหาแต่ถ้ามีโน้ตเก้าโน้ตสิบหรืออะไรที่เป็นของ อ, อ, อะไรแอมารุ่นใหม่ๆ ม, มานะจะถูกตรวจสอบ ถ้าสมมุติใ น, ในที่ทํางานเราหรือว่าคนใกล้ตัวเราพี่น้องญาติาสนิทพี่ชายเขาไม่มีก็ไม่เป็นไรแต่เรามีสักคนจะถูกระสอบบนผัวกระสอบทำไมฮะนี่ ค, ค, คือความปรารถนาหรือบางครั้งเนี่ยการการมีก็เป็นบททดสอบรูปแบบดังนั้นนี่คือการพยายามเข้าใจประเด็นนะฮะว่าโลกนี้เนี่ยเป็นนักเที่ยลร้อนนะฮะเที่เวร้อนให้มาทุกอย่างเราให้แล้วเราก็จะเอาไปแน่นอนอินนารินละนี่อายานี่สุดยอดนะ อินนาลิลละสุดยอดมากที่เรากล่าวเวลาญาณาซาหรือเวลาสูญเสียอะไรบางอย่างอินนาลิลละนี่ประโยคแรกเราเป็นกรรมสิทธิ์ของอเราและหมายถึงอะไรที่ติดตัวเราเราและหมายถึงอะไรที่ติดตัวเราถูกมครัเราตอนนี้ครอบครองอะไรบ้างเครื่องใช้ไหมใสต่ต่างๆชัดเจนเลยต้องมีกรรมสิทธิ์ใครเป็นเจ้าของถูกไหมครัทุกอย่างไมปนี่เป็นสิ่งัญต้องมี จะเป็นนาบุคคลนามนที่บุคคลแก้วนี้ต้องมีไม่งั้นทะเลาะกันใช่ไหมใช่ฮะประสิทธิพรหมของใครพัดลมรถคันนี้ของใครมันต้องมีชัดเจนไทยเป็นเจ้าของไม่งั้นทะเลาะกันแย่ใช่ไหมฮะน้าไอสิ่งที่เราได้เป็นเจ้าของทั้งหมดในโลกนี้เนี่ยเวลาอาจจะสูญเสียอะไรบางอย่างอยืออา จ, จะเสียชีวิตเลยด้วยทำไปนะก็จะมีสุนนะให้กล่าวว่าอินนารีละเราและรวมถึงสิ่งที่เราเป็นเจ้าของ เป็นของ Allah ได้ยังไงฮะวะอินนาอีลัย์รอยจิลเวลาเราแปลว่าเราเป็ น, ปนกรรมสิทธิ์ของ Allah และแท้จริงเราต้องกลับคืนสูอ่อบแต่ผมว่าถ้าจะแปลอีกอย่างน ะ, ะถ้าแปลแบบว่าตรงตัวในภาษาอาหรับในคุรานอินน้วเราเป็นกรรมสิทธิ์ของเราแล่นสิ่งที่ติดตัวเราทั้งหมดเราเป็นเจ้าของทั้งหมดเนี่ยแท้จริงเราเป็นเจ้าของของ Allah วะอินนาและแท้จริงเราเนี่ยอีลัยยังออลเนี่ยรอยจิลกลังกลับไปหาพระองค์ คำว่าเอลีโลเจลเนี่ยความหมายก็คือกําลังกลับอยู่ในสภาพที่กลับไปหาเราไม่ใช่ว่าจะกลับไปหาเราคือมันจะต่างกันนิดหนึ่งเราเห็นไหมถ้าบอกว่าเราจะกลับไปหาเราไม่ถึงหอกตอนนี้ยังไม่ได้กลับจะกลับเมื่อตายแล้วจริงๆไม่ใช่ในภาษาลาวนี่คือโรเจิอลหมายถึงว่าอยู่ในสภาพที่เนี่ยกําลังกลับ ไม่ใช่ว่าคนอะไรคนคนคนกลับเนี่ยเฉพาะคนที่ตายอันนี้คือกลับไปหารอนแล้วไม่เราทุกคนเนี่ยกําลังกลับหมายถึงว่าทุกวันที่ผ่านไปเนี่ยยิ่งใกล้กับอัลลอฮฺมากิคืนนี้คือกำลังกลับใช่ไหมครับเอาพี่น้องลองนึกภาพกลับเดินทางจากนิมไปหาดใหญ่เทียวไปหาดใหญ่เดินทางกันตลอดคือเราไม่บอกว่าเฉพาะคนที่ใกล้ถึงหาดใหญ่แล้วถึงพัทลุงเนี่ยเขากําลังเดินทางถูกไมครั แต่ทุกคนกําลังเดินทางเพียแค่ว่าเราไม่รู้ว่าเราจะอยู่ไปถึงสถานที่เมื่อไหร่ทคนเดียกนะครับดังนั้นในวิเลย์ฮิโรชิโอนเรากำลังกลับไปหาอเลอสุบาฮาโนะตอนดังนั้นเนี่ยประเด็นสําคัญก็คือเราเข้าใจว่าอาชีวะอเลอเนี่ยดาลงไปแล้วอเลอให้อะไรเรามาก็ตามนะฮะเป็นเป็นการทดสอบทุกเรื่องและขณะเดียวกันเราเมื่อได้รับบททดสอบมาแล้วเนี่ยก็คือดารุณอามันเลียบล้วกุลเพืทดสอบพระเจ้าอายุกุลอิสันวมาแล้วว่าใครจะมีอามันที่ดียิ่ง ตอนนี้นท่านนมีจึงกล่าวได้รับคําบัญชาจากอัลลอฮ์นะว่ากล่าวกับบรราดาผู้ปฏิเสธผู้ไม่ศรัทธาเนี่ยเอามาดูจงปฏิบัติตามอำเภอใจตามที่พวกเจ้าเนี่ยเห็นควรปฏิบัติเราก็จะบอกเช่นเดียวกันนะครั บ, บรราดาผู้ปฏิเสธศรัทธาเนี่ยจะเป็นทรัพย์จะเป็นใครก็ตามอยู่ก็ไหนก็ตามแล้วก็จะบอกว่ายเอามาดูอิลามากาณติกุมจงปฏิบัติตามที่เห็นควรเถิด อินน่าอามิลูแต่ไม่ใช่ว่าเราบอกเราจะอยู่เฉยไเราก็จะปฏิบัติตามที่เราสามารถจะปฏิบัติได้อินนาอามิลูเราก็จะปฏิบัติอัลลอฮ์บอกว่ากุลีอัมมาูฟะเซร์ลลอฮูอะไรนะฮะจงปฏิบัติเถิดและอัลลอฮ์จะเห็นผะเาตัวอรให้ชัดเจนนะว่ากุลีอัมมาูฟะเซร์ลลอฮูอับัลกุบบารซุลฮุวะลุมินู แ ล, และจงกล่าวเถิดเมว่าพวกเจ้าจงปฏิบัติประกอบผู้ศรัทธาแล้วเอารสใจะเห็นการงานของพวกเจ้ารอซู้นก็จะเห็นและบรรดาผู้ศรัทธาก็จะเห็นวัสซาตุรันดูนะอิละอาลิมุไวมิวชะฮานะฟยุนับมิรุบุบีมาคุตุมต่างมารุแล้วพวกเจ้าจะกลับไปหาผู้รอบรู้ความได้รับและสิ่งเปิดเผยและพระองค์จะบอกพวกเจ้าถึงสิ่งที่พวกเจ้าได้กระทำนี่ก็สําคัญนะฮะเราปฏิบัติในการที่จะทําอะไรสักอย่างเราด้วย ม, มัน ดูเหมือนว่าเราจะทําอะไรไม่ได้สักอย่างนะฮะ mm. กับเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นต้องทําอะไรสักอย่างนจริงๆแล้วในการที่จะช่วยเหลือมสัสยิดอับซอลทุกอย่างการที่มุสลิมคนนึงกลับมาสู่ศาสนาบอกเหรอมาละหมาดมาอยู่ในหนทางบอก น, นั่นก็คือเป็นการช่วยเหลือมสัสลิดอับซอในรูปแบบอย่างนีง้วการที่หันมาละหมาดถ้าเวลาหันไปทางทิบลันี่ก็คือสั ญ, ญลักษณ์หนึ่งแล้ว ทำสักอย่างมุสลิมทุกคนต้องทำทำอะไรสักอย่างทําไมถึงบอกว่าอาหารไปทำอาหารมัลลาบดนี่ถือว่าเป็นการช่วยเหลือนะเป็นการช่วยเหลือหนึ่งเราไม่ได้บอกว่าช่วยเหลือแค่ น, นี้นะแต่เพียงแค่เราเอาเหตุการณ์การที่เกิดขึ้นเนี่ยเอามานําสู่การปฏิบัติให้เราเป็นคนดีขึ้นเกี่ยวยังไงะก็เกี่ยวเราถามว่าจะมีไปรับบัญญัติธรรมะยังไงเราจำได้ไหมรับยังไง สุบฮลลิอัสราบีอับดีลลมัมัสติฮารอมอัลสินอักซาบรุนฮาเดินทางอัลลอฮ์นำท่านไีเดินทางจากมัสิดฮารอมกไปที่ไหนฮะอักซาแล้วขึ้นไปหาอ์ไปรับอะไรครับรับละบาแสดงว่าทุกครั้งที่เราละมาเนี่ยนั่นคือความหมายแหละความหมายเกี่ยวกับอักซาทําไมอ่ะละมาท่านเวลาที่เรารับเนี่ยนะฮะทาไมแม้เราจะหันไปทางไปตุลลอฮ์มักกะ ทำไมท่านดีต้องไปเยี่ยมที่อักซอร์ก่อนนะครับแสดงว่าอักซอรไม่มีทางที่จะหยุดออกไปจากความสนใจของมุสลิอันนี้คือถ้าคนเข้ามาละบาทมาศึกษาสตอรี่อิซซ์ของการละบาทนะฮะก็ต้องตระหนักว่าเออ ไ, ไม่ได้แนละ้วมันมีสตอรี่อยู่เลยครกว่าละบาทจะมาถึงเนี่ยต้องไปอักซอรก่อนเห็นภาพไหมครับนะ อักซอมาทําไมได้วยบิดาอัลลอฮ์จะให้ท่านอบีจากมะกาขึ้นไปหาอัลลอฮ์เลยก็ได้ทําไมต้องไปหยุดที่อัครซอต้องมีความหมายมีคำตอบแล้วไปนำบรรดาบิดาอัลกุสูนต่างๆละหมาดนำละหมาดฝูกมาก้าอะไรต่างๆมีในการอันดิสบัมกมปเนะี่ยแสดงว่าตราบใดที่เรายังคงมีละหมาดอยู่เนี่ยนะฮะมันยังคงมีสตอรี่ของอัครซอจะทำมุสซิมที่ละหมาดนะนี้ใช่ใช่ฮะคือคนที่ไม่มีส่วนที่เกี่ยวข้องกับอักอรซอเลยถูกไหมฮะ นั่นนี่คื อ, อ, อจุดหนึ่งที่ว่าปุาาริอาบาลูทาอะไรสักอย่างนะฮะแล้วก็ทําแบบต่อเนื่องไม่ได้ทําแค่เป็นเป็นกระแสไม่ได้ทําตามคําพูดของศัตรูของเราถูกไหมครับเราทำอย่างต่อเนื่องพัฒนาตนเองทําไม่ดีอย่างต่อเนื่องทําอะไรบางอย่างทำอย่างต่อเนื่องแล้วไม่อยู่แล้วก็รร้องคนอื่นให้ทําสิ่งเหล่านี้จริงๆแล้วเนี่ย อ, อ, อยากจะนําเรียนกับพี่น้องว่าคนที่เป็นศัตรู กับมุสลิมจริงๆแล้วหรือว่าหลักการลามด้วยกันหนนะฮะเขาเขาไม่ได้เป็นศัตรูกับมุสลิมเยียงเดียวแล้ศัตรูคนทั่วโลกแต่เนื่องจากมุสลิมเนี่ยเป็นคนที่รู้จากพวกเขาในเป็นอย่างดีอันนี้เป็นศัตรูหมายเลขหนึ่งทำไมฮะเนื่องจากอะไรฮะเนื่องจากว่ารู้จักบรรดาคือในคำพีเนี่ยเขาก็รู้ บรรดาโยบุษเนี่ยเขารู้ว่าในคัมภีร์เนี่ยมีอะไรบ้างเป็นมักมักตู้มอะไรที่บุษรู้แต่ว่าไม่ปฏิบัติตามความรู้นั้นนั้นนั้นเนี่ยเขาจึงไม่พอใจที่มุสิมรู้อะไรก็รู้ทั้งหมดเลยใช่ไหมฮะและไม่มีใครที่จะมีความรู้แบบนี้ความรู้แห่งันอัลกุรอานนะครับแต่จริงๆแล้วเขาเป็นศัตรูกับมนุษย์ทั่วโลกแล้วบุษิมก็เราไม่ได้เป็นจริงๆเนี่ยในกุรอานเนี่ยเราจะไม่เห็นนะว่ามุษิมถูกสอนให้เป็นศัตรูกับชาวยิวชาวฮิสไม่มีแบบ ใช่ย่าึดเขาเป็นบินะที่ใช่แต่ไม่ได้สอนว่าจงยึดเขาเป็นศัตรูอย่างใช้ตอนอย่างเดียวอ่าอะไรฟัดตะฮิรูอดูะจงนี้ใชยตอนเป็นสัตรูแต่สำหรับบรรดาเออฮูดเนี่ยเราพูดมีเกี่ยวกับการศัตรูเหมัละตจิดันนาชัดดันนาสอดาวะตะลิลละดีนาอัมบุญยูฮูดวะละดีนอัลลอฮฺเราจะพบว่าอ่อาชัดดันนาสคนที่เป็นศัตรูตัวฉกาดลิลละดีนาอมุ กับผู้ศรัทธาไม่ได้บอกว่าผู้ศรัทธาเนี่ยเป็นเศัตรูตุ้งตกายของผู้เขาได้กล่าวเลยครเจ้าจะพบ ว, ว่าคนที่มาเป็นศัตรูตุ้งตกายกับบรรดาผู้ศรัทธาเนี่ยคือใครอลา ล, ลียหูวันลนีนัสโรกุและบรรดาผู้ตั้งพันธิภาพมัญชัดในปัจจุบันนี้แต่คนที่เป็นมิตรกับผู้ศรัทธาจะเห็นว่าแสดงน้ําจิต น, น้ําใจคือบรรดาปากหลวงอะไรต่างๆแล้กเ็เป็นภาพเช่นกันนะครับ แต่ต่างกอาชัยตอนอินน์เชยตอนใละกุมอาดูนแท้จริงใช้ตอนเป็นศัตรูข้าขอ ง, ของมาเนี่ยใชตอนเป็นศัตรูกับเราและเราเช่นเดียวกันฟัตฮิดูอาดูวนันจงยึดมันเป็นศัตรูเนีย่ยเราบอกชัดเจนเราไม่ได้บอกเลยจงยึดบรรดาเยฮูดเป็นศัตรูใช่อย่าคบกับเขาเป็นมิตรคนที่ทําสงครามกับบรรดาผู้สนนังหารนี่ใช่แต่ขนาดเดีดวยวกันเราไม่ได้บอกว่าจงยึดทั้งหมดเลยนี่เป็นศัตรู น, นี่ไม่มี แสดงว่ามุสลิมเนี่ยบอกว่าเราต้องเข้าใจดีๆบุงทีเราไปนําเสนออะไรข้อมูลที่แบบว่าเราเราไปใส่าอารมณ์ไปด้วยอนะไรแบ้มันก็อาจจะมากไปนิดนึงใช่มีคนที่เป็นศัตรูนี่คือศัตรูแต่คนทั่วไปเนี่ยเราก็ขึ้นนําเสนอในมุมที่แบบที่ทํามากที่เลาสุภาพนวลแต่เราให้กับเรานะเพียงแค่เราบอกเขาได้จริงว่าเจ้าจะเห็นจริงนะทุกคนที่มันเป็นศัตรูกับเราในใจอัลยูดุลลนันีัชรอปูแบะบดากูตั้งตาทีต่อแล้วนะครับอต่มุสลิมนี่คือเราไม่ได้บอกว่าเป็นศัตรูไปทั้งสิ้น แต่เราขนาดูกันเราก็ไม่ได้ยอมคือหลักการอิสลมามฉลองวันนี้ผมจะไปบรรยายที่ไวแช n e ลนะครับมีงานเชิญพี่น้องไปร่วมงานด้วยเกี่ยวกับการอยู่ร่วมกันประชาอุสังคมผมบรรยายในหัวข้อสิทธิของาศาสนิขชนในสังคมมุสลิมเรื่องหนึ่งที่จะพูดถึงก็คือมุสลิมจะถูกสอนไม่ได้เป็นแค่ว่าเป็นมิตรกับคนอื่นนะครับ ไม่ได้มีสิทธิเสรีภาพเกี่ยวกับหลักษัทธาไทยอย่างเดียวว่าทุกคนมีสิทธิในการรับถสนามให้กค่นั้นเอาลยัง <Yeah. S 1> บัญญัติให้มีการยารเพื่อปกป้องความเชื่อหรืออิสรภาพในความเชื่อของแต่ละบุคคลที่ถูกถูกกระบุหรือปรากฏชัดในบรรดาเคหสถานต่างๆหรือศาสนสถานต่างๆวัดโบสถ์วัดของของพุทธามนะ yeah. บสของชาวคริสต์วิหารของชาวยิวมสัสยิดของชาวมุสลิมเนีย่ยมุสลิมทำยิฮัดเพื่อปกป้องศาสนสถานเหล่านี้ไปถึงไฮะปกป้องสิทธิในการที่ให้แต่ละคนมีสิทธิ์ในการนับถือศาสนาต่างๆที่แตกต่างกันและจะอยู่ร่วมกันแบบสันติสุขนี่คือที่มาที่เราบอกว่าเรวล า, าฟุลลอยินี่สบายประพฤติมีบางทีละหุนดีมาทุกท่าอัลลอฮฺขัดขวางไม่ให้มันทาสงครามไม่ให้มียิฮัแล้ว และหุติมาสวามิบรรดาศาสนาศาสตร์รที่ผมกล่าวเมื่อสักครู่นี้เนี่ยจะถูกทําลายโดยสิ้นเชิงแสดงวันที่ห้าเนี่ยคือคือไม่ใช่ว่าไปลุ ก, กลากรดเขียวเป็งเป็นคนละเรื่องเลยนะแต่เพื่ออะไรครับเพื่อให้คนหรือว่าสัตว์ชนต่างๆมีสิทธิ์ในการที่จะรักษาโอกาสที่ตนเองจะเชื่ออะไรก็ได้ตามที่ตนเองเชื่อตราบใดที่อันนี้เป็นทุกเอ่อกฎหมายนะกฎหมายของเมืองไทยก็บอกตราบใดที่ไม่ไปละเมิดคนอื่น ไม่ใช่เพราะว่าฉันมีสิทธิ์ที่จะเชื่อและฉันไปด่าศาสนาคนอื่นแบบนี้ไม่ควรเลยเรื่องนี้นะครับเป็นคนละคนเมนไม่ใช่แล้วแบบนี้คุณจะเชื่อคุณก็เชื่อหลงของคุณแต่คุณอย่าไปด่าคนอื่นเขาเป็นต้นนะครับว่ากูเนี่ยมาว่าคุณลิลลาีนายุมีนูน่าอามาลูอัลลามะกานะจีกุบินนาอยู่ะท่านนบีถูกกาชับจากพระนะครับว่าจงบอกกับพวกเขาไปบรรดาผู้ไม่ศรัทธาจงทําตามที่เห็นควรเถิดเพราะเราก็จะทาเหมือนกัน วันตอรซิลและจงรอคอยอินนามุนเตอร์ซิลเราก็จะคอยเช่นเดียวกันรอคอยว่าอะไรฮะอะไรจะเกิดขึ้นต่อไปชัดเจนนะ้ะเพรือเราไม่ได้วางสุนตขล้อเอาไว้หอ ว, ว่า อ, อ, อะไรนะฮะอธรรมจะ ช, ะชนะธรรมะเราไม่ได้วางระบบแบบนี้เอาไว้ที่ไหนก็ตามเนี่ยเราก็ได้รับการเล่าขานจากผู้หลักผู้ใหญ่หรือ ทำพูดอะแั้แต่ของพูทเองนะฮะของเมืองไทยทําไม่เอชนะอาธรรมอันนี่เป็นทัศธรรมความจริงคือมันไปไม่ได้คือความจริงมันเป็นไปไม่ได้ครคนที่ฝืนธรรมชาติฝืนความจริงเป็นทัศนธรรความจริงมันเป็นไปไม่ได้เดี๋ยวแ้นวันตัิรูจงรออินนามุนตซิรูเราพวกเราก็จะเป็นผู้ที่รอคอยเหมือนกันใน ต, ตอนท้ายนะครับแเราแซลได้บอกวารี ล, ล่าหิแอร์แซลนั้นเป็นเจ้าของเป็นกรรมสิทธิ์เป็นของ Allah เ, เท่านั้นไรบุสสมาวาจิวัลอาติ สิ่งเลึกลับหรือสิ่งที่ไม่เห็นล <c oughs> อยไปเนี่ยแปลว่าอะไรฮะมาจากคำว่าลอยอย่งางยิ้มลอยแปลว่าไม่ป ร, กรากฏสลาตาุนลอยละหมาดลอบนี่คืออะไรฮละหมาดที่ไม่มีเจนาซยปรากฏไยปยิ้ปรากฏลอยลอยนี่ไม่ใช่ว่าแปลว่าสิ่งล้นลับอะไรอย่างเดียวคือผมเข้าใจเวลาใช้ภาษาไทยเนะี่ยถ้าเราใช้คําว่าสิ่งเล้นลับนะฮะเราจะไปนึกแค่ผีอะไรอย่างเดียว ใช่ไหอะไรที่มันแบบว่าแปลกแปลกอันนี้คือเขาเรียกว่าอนิสัยของคนไทยหรือความเชื่อคนไทยเนี่ยเวลาพูดถึงสิ่งลึกลับเนี่ยเราจะคิดถึงอะไรครสิ่งลึกลับในทุกอย่างสวรรค์นะครับก็เป็นสิ่งลึกลับชัยชนะของผู้ศรัทธาก็เป็นสิ่งลึกลับทุกอย่างที่ไม่เห็นเนี่ยแต่มาจากความเชื่อเนี่ยเป็นสิ่งลึกลับทั้งสิ้นเราเป็นเจ้าของเป็นกับสิ่งดังนั้นเนี่ยถ้าเราเราจะมาบอกว่าร้อยพุทธะเรสิ่งที่มัน สิ่งลึกลับแห่งชั้นฟ้าทั้งหลายและเป็นเี้และเกี่ยวอะไรอ่ะไม่เนี่ยทาไมว่าวันตื่นรู้ทุกท่านจงรอผู้เรารอและอัลลอฮ์เป็นเจ้าของกรรมสิิของสิ่งลกับต่า ง, ง, งๆที่อัลลอฮ์สัญญาเอาไว้ว่าจะให้กับบรรดาผู้ศรัท ธ, ธาแล้ว เ, เป็เจ้าของเราลอจะให้เกิดขึ้นดังนั้นเนี่ยจะอยู่ในชั้นฟ้าทั้งหลายแม้จะอยู่ในแผ่นดินเนี่ยเป็นกรรมสิทธิ์ของอัลลอฮ์อัลลอฮ์ให้อะไรเกิดขึ้นเนี่ยอย่าคิดว่าอย่าคิดว่ า, อ ย, า, วาอยู่ นอกเหลือการเข้าดูของล้อสุหาษิตว่าอรเหตุการณ์ที่อักษรที่ไหนก็ตามเกิดขึ้นถูกกระทาในโลกนี้ห้ามคิดเป็นอันขาดที่ท่านนบีได้ถูกไว้นะครับว่าเวลาท้าบนลอะลอฟิลัลวบอกสรย่าเวลาท้าบนนลอะลอฟิลัอัมาะมนุลิจอย่าคิดเป็นอันขาด อันนี้เป็นคำสั่งห้ามห้ามท่านนาบดีไม่ให้คิดแค่คิดห้ามคิดห้ามคิดว่าอะไรฮะ่อรอลอฟรลนดลืมหรือละเลยอ้ามมาจากสิ่งที่ยาอัลมาลุซอลอิบูผู้ทําได้กระทำในปัจจุบันนี้อินนามาอุอาคิรุฮุมลิเยอบินตัชฟอสฟีลอัลอฮฺสั่งข้อหลางนีบอกว่าถ้าึงพว่าวิงเวลาให้ถึี่วันที่สายตาจะเหลือรอากันองอย่าคิดแั่แสดงว่าเราเนี่ยห้ามคิดแบบนี้ เราจะมองกูเนี่ยเราทำอะไรบ้างโอเคหน้าที่ของเรานี่คืออันดับแรกนะฮะห้ามคิดว่าเราลีกหรือเราละเลยทาไมเป็นแบบนี้ห้ามคิดหนึ่งนะฮะแต่ไม่ได้หมายถึงว่าเราปล่อยปะละเลยในการงานของเราเราไม่ต้องทำอะไรสักอย่างก็ไม่ใช่พอเราสั่งว่ากูเรียามาลูและจงปฏิบัติอะไรสักอย่างให้มันเป็นในทางที่ดีขึ้นถ้าปฏิบัติมากได้ดีคุณภาพที่มากดี ฉันเป็นคนธรรมดาเองปฏิบัตอิอะไรสักอย่างปุ้ยเอามาดูปุ้ยเอมาดูเลยทาอะไรสักอย่างที่เป็นความดีบอกว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะทําให้มุสลิมหันกลับมาเข้ามาสัสยิดมาละหมาดมาทําความดีมาใส่ใจศาสนาของอัลลอฮ์มาอันนี้คื อ, อยามาดูแล้วสักอย่างอะไรสักอย่างที่เราได้กระทาไดนะ้นะครับที่อลนะลัลลอฮห سبحانه และ تعالى ตรัสอย่างนั้นวะลิลเลาะ์ ไ <an> <t ube> วบุสมาวาจิวัลเราเป็นเจ้าของกรมสิทิ์สิ่งล้งนลับหรือว่าสิ่งที่ไม่เห็นแห่งชั้นฟ้าทั้งหลายและแผ่นดินไวเอไลหิและดิเป็นถัดมานะไวเอไลหิและอย่างอเลอเท่านั้นอย่างอเลอเท่านั้นในภาษาอังกฤษเนี่ยถ้าเอายาัจมาจรูรุมาขึ้นก่อนอเอายาัจและมาจรูรุมาขึ้นก่อนให้ความหมายว่าเท่านั้นจะแปลว่าเท่านั้นเหมือนกับคาที่ว่า وعلى الله ف ل ي ت و ل الممنون และอัลลอฮ์เท่าน <ون> ั้นบรรดาผู้สัาจงมอบหมานี่เข้าไหมฮะถ้าอัลลไม่อยู่ข้างหน้าเนี่ยดมาจอุในภาษาอังกฤษนะฮะอัลลอฮ์ฟังจะตวกลิมุมมินุนอัลลอฮ์เท่านั้นจะแปลว่าเหมือนกับในสรฟัตีฮ์อียะกะนะอับูดุคไม่ได้บอกว่านะอับูดุกะทำไมฮะถ้าเราบอกว่าเราสักกาะต่ออัลลอฮ์นะอบูดุกะวนะอบูดุยรก็ได้ เราสัระต่อแล้วก็สักการะต่อผูด้วยแต่ถ้าเอาเอากรรมหรือยาระยุยาระมจรุนนะฮะเอามาอยู่ข้างหน้าประโยคอี่ยากนันนะจะให้ความหมายว่าอัลลอฮ์เท่านั้นหรือพระองค์เท่านั้นเช่นเดียวกันว่าอีไลฮิยัอยงอัลลอฮ์เท่านั้นยูรจาฮุลอักรุกลุลุการงานทั้งหลายทั้งหมดทุกอย่างจะกลับไปหาพระองค์ทุกอย่าง ก, กลับไปหาพระองค์ตั้งแต่อะไรนะ ย่ามานูอะไรมาการในเรื่องการานของผู้ปฏิเสธต้องกลับไปหาอัลลอฮฺจะถูกคิดบัญชีการงานของผู้ศรัทธาก็ต้องกลับไปหาอัลลอฮฺทุกอย่างนี่คือเอาง่ายๆว่คือคุณแสดงบทบาทของคุณให้ดีที่สุดอันที่จะเปรียบเทียบประละครนะคือไม่ต้องสนใจว่ายุ่งจะจบยังไงในโลกนี้เราจะรู้ไหมครับว่ามันจะจบยังไงตรงแล้วมันในบางทีคนอาจจะกลับไปหาอัลลอฮฺก่อนไม่ใช่หน้าที่ของเรานะแต่หน้าที่คืออะไรฮะแสดงบทบาทของเราเนี่ยอันนี้ไม่ใช่นัลครนี่คือชีวิตจริง แสดงบทบาทของเราเนี่ยอย่างดีที่สุดอะไรที่มันดีที่สุดที่ทําได้ในตอนนี้เราก็ทําในสิ่งนั้นแเราก็ไม่ถามในสิ่งที่มันเกินความสมการการมองแบบนี้เนี่ยมันเป็นกําลังใจมากกว่าการที่เราจะเป็นพวงในสิ่งที่แล้รสิ่งที่มันจะเฮ้ยมันต้องเกิดว่าใครใครบอกว่าเราทําแบบนี้แล้วมันต้องเกิดแบบนี้ตลอดไปไม่ฮนะเป็นการงานของ Allah เป็นกิจการของ Allah แต่เราตั้งหักแสดงอะไรเนี่ยทําไม่ดีที่สุดในหน้าที่ของเราทําไม่ดีที่สุดอะไรก็ตามที่เรากําลังทําอยู่นี้มันมีดีกว่านี้ได้ไหมถ้าดีกว่านี้ได้แล้วขยับไปทําอีกหน่อยพอขยับไปแล้วเนี่ยดีกว่านี้ได้อีกไหมอันนี้มันจะเป็นกําลังใจและเราจะไม่หดหดหูแล้วก็รู้สึกว่าฉันทําไปที่จะทําไปเนี่ยมันจะมีประโยชน์อะไรเนี่มันจะไม่มีประโยชน์อะไรเลยแล้วก็จะเป็นการท้อใจบางอย่าง ว่อิไลฮิยูร์เจอลอัมรุกุลุและยังอลลอฮ์เท่านั้นการงานทุกอย่างอันนี้เน้นสองอย่างหนึ่งคือยัอัลลอฮ์เท่านั้นและสองคือการงานทุกอย่างเห็นไหมอัลลอฮ์เท่านั้นและการงานทุกอย่างจะกลับไปหาพระองค์ดังนั้นเนี่ยเนี่ยถึงบอกพี่น้องว่านี้อัลลอฮ์จึงแนะนําดังนั้นฟาฟาบุษหูดังนั้นจงอิบะดาตอเห็นไหม ว่าแต่ว่ากันอะไรที่สอนกร้องนะดังนั้นจงอิบารัดจงทำอะไรเสียอย่างเป็นอิบารัดต่อหล่อแล ะ, และมอบหมายต่อพระองค์มันจะเป็นยังไงคือเราสแสดงหน้าที่บทบาทดีที่สุดในปัจจุบันนี้จะเป็นบทบาทของใครก็ตามสแสดงอย่างดีที่สุดแล้วมันจะเกิดยังไงขึ้นไม่หน้าที่ของเราต่อไปคือมอบหมายต่อหล่อมันจะเกิดอะไรขึ้นนี่คือเป็นเรื่องของหล่อเป็นหน้าที่ของหล่แต่เราทําอะไร ทำที่ดีที่สุดอละนี้คือหลักสูตรที่จะประสบความสําเร็จนะครับจะดูนะพัฒนาตนเองเนี่ยเขาเอาไปพูดี่หลักสูตรเหล่านี้เนี่ยเขาเอาไปใช้เหมือนกันในชีวิตเนี่ยคือเขาบอกว่าการวางเป้าหมายนี่พี่ชัมุสสินก็ใช้นะแต่มุสสิมมีเป้าหมายที่ใหญ่กว่าเนี้การวางเป้าหมายนี่คื อ, อยังไงฮะคือวางเป้าหมายที่เราไม่สามารถจินตนาการได้ว่ามันจะไปถึงยังไงแต่ให้ทําไปในทิศทางที่มันจะไปถึงนะแล้วเขาใช้คาว่าปล่อยวาง คนรับแต่เขาผมก็ไม่รู้ว่าเขาไปวางไว้กับใครนะครับถึงแม้แต่ของเราดีคือปล่อยวางเขาก็แต่ว่ากุลแต่ว่ามอบหมายห้ปล่อยวางแต่ของเราชัดเจนอัลลอฮฺให้กับอัลลอฮฺแต่ของคนนมุสลิมเนี่ยเขามีปล่อยวางเหมือนกันแต่เขาปล่อยวางที่เขาได้รับเนี่ยเขาเขาปล่อยวางไว้ไว้กับกฎที่อัลลอฮฺวางเอาไว้เนี่ยแห ล, ละเอาไว้เขาไม่อธจทำนะนี่รู้ไหมครับอัลลอฮฺก็ให้มันเกิดขึ้นจากนั้น เราจะไม่ทำกับใครแต่เขาปล่อยวางแล้วเนี่ยปล่อยวางให้เป็นตามซุนนุตุลล้อนีช่แหละแต่เขาอาจจะใช้คำอื่นเขาใช้ว่าธรรมชาติ อ, อะไรก็ตามแต่ของเราเนี่ชัดเจนคําชัดเจนมันไม่มีคุมเพือซุนนุตุลล้อนเราปล่อยวางปล่อยวางหรือมอบหมายกับ Allah และมอบหมายให้เป็นไปในตามแนวทางที่ Allah กำหนดเอาไว้หน้าที่ของเราคือต้องปฏิบัติสิ่งที่ถูกต้องตามกฎเกณฑ์ที่เรา a h วางเอาไว้ไม่ใช่ปฏิบัติผิดถ้าปฏิบัติผิดอย่าไปโทษว่าเออ Allah ไม่ช่วยเหลือ าอาจคนหนึ่งนะครัตอนที่บุสซี่ถูกจับเขาพูดไปอยอกผมว่าเอออาจารย์คนนี้เข า, เขาชอบเป็นคนคนดีหยิบนะเขาก็ชอบทำทาำบุสซี่ก็เชียร์คนดีหยิบหลาคนเขาเห็นความเป็นธรรมของบุสซี่ผมว่าผมผมเข้าใจว่าเขาจะมาบอกว่าคนบอกถึงควา ม, มดีของคนที่เขาจับตัวลรดเดอร์บุสซี่ไปแต่เขาพูดอีกอย่างเขาบอกว่าเราทำเนี่ย ทำดีแล้วแต่ว่ามันยังทําไม่ดีพอพูดแต่ว่าคือมันเป็นปุ่มหนึ่งคือเราต้องปรับปุุมพัฒนาให้มันดีขึ้นกว่านี้แล้วตอนมีช่วนได้เป็นประธานไดไ้ดีที่แบบว่าอลัง ก, การอยู่ในใ น, ในระยะเวลาหนึ่งนะแล้วตอนเราก็ถึกปฏิวัติอะไต่างๆเนี่ยฮะเมื่อกี้เออพูดถึงประเด็นของการ เ, าเขาพูดเขาพูดว่าเรายังมีทําอะไรบางอย่างที่ทําผิดไปทําผิดไปพลาดไป คือไม่ได้กลับไปโทษว่าเราไม่ได้ช่วยเหลือไม่ใช่แล้วกลับมาโทษตัวเองว่าเราถ้าเราทําถูกต้องตามกฎเกณฑ์ที่เราสุภทานหัวตะละวันอาจารย์อาจารย์ท่านนี้นะฮะก็เป็นคนที่ผมได้เรียนกับท่านในเรี่ยเกี่ยวกับสุนตุลล๊อพูดถึงเยอะมากเกี่ยวกับกฎเกณฑ์ทางธรรมชาติของเแล้วก็อีกคํานึ่งนะฮะก็คือกวานเกในภาษาของของตอนตกเขาก็มีกวานีแปลว่ากฎเกล กฎเกณฑ์ของจกักรวาลกฎจักรวาลไม่เราเคยดีกนะ็คือมันเป็นกฎเดียวกันเราอยู่บนกฎเกณฑ์เดียวกันอย่างของอร็อดเดอร์เบิร์นที่เขามาเขียนกฎแรงดึงดูดของเดซิกเก็ตนะก็เป็นเรื่องเดียวกันเขาเอาเรียบเรียงของคนต่างๆที่เขาใช้กฎนี้เนี่ยผสมความสํเาเร็จของพวกฝรั่งอะไรต่างๆถ้าอยู่กฎเดียวกันเพราะวันนึงเขาอยู่กฎจักรวาลเดียวกันแล้วอยู่เกาเขานี่คือการเป็นไปในภาษาหรับเกาลุ น, นแปลว่า จักรวาลนะการมาจากคำว่าการในายาคอินนามะอัมรูหูในในภูริอินนามะอัมรูหูแท้จริงกา ร, รางานของเราเนี่ยปีศาอารเดชัยอันต้องการสิ่งไหนหเกิดขึลล้นไอยะกูเละหูคุนไฟยาคุลเราจะกล่าวกับมันว่าคุนจงเป็นไฟยะกุณแล้วมันก็จะเป็นขึ้นมานะครับว่าคุนเนี่ยการในายาคุณคุนเก่นกนานันการในยากูลเก่าหนักมันก็เป็นคําเดียวกันหมายถึงว่าการเป็นของจักรวาลเนี่ยมันเกิดขึ้นจากอะไรครับ จากอัลลอฮ์สุบฮานะฮนต่าที่เราดำรัสให้มันเป็นเป็นก็ยพระยากรูนก็เป็ น, เ ป, นเป็นอะไรให้เป็นจักรวาลเป็นโลกดังนั้ น, นกฎจักรวาลจริงๆแล้วคืออะไรฮะมันดำเนินไปตามบัญชาของอัลลอฮ์สุบฮานะฮุนมันก็เลยมันก็วนอยู่ตรงนี้แต่ของเขาเนประเด็นของเขามันได้ยนทีไว่าเขาว่ากฎจักรวาลเนี่ยเขากลับไปไม่สุดเขาไม่รู้ว่ามันมาจากไหนแต่ทำอยู่แล้วที่ในสุรยาศิ น, นรหรือ์อื่นนะที่าอกอินนามะอินนามะอัมรูหูเนี่ยาาาาการงานของ คำรูอีกทั้อร่อยจะใช้เมื่อต้องการสิ่งใดแล้วไอยาปูละละวูะเราจะเจากับสิ่งนั้ น, นาากุนไฟยาปูจงเป็นจงเป็นหรือว่าจงจงจักรวาลใ น, น, น, นภาษาเป็นคํากิริยาการไอยาปูถูกกุนแล้วก็เก่านั้นเก่านั้นนี่แปลว่าจักรวาลแปลว่าการเป็นนะนะไฟายาปูแล้วมันก็เป็นขึ้นมานะดังนั้นหน้าที่ของเราคือฟ้อาบุตบูรีบาระต่อ ต้องทาําอะไรสักอย่างฟ้าอบูถุทําการงานที่เป็นเชิงอิบะดาตอ่อล้อมอิบาดาตาดาี่คืออะไรครับปฏิบัติตามคําสั่งของล้อมตามแนวทางการสร้างของล้อและไม่พอวัตกรรมและอะไรและมอบหมายการงานผลลัพธ์กับอ่อล้อมแต่ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของล้อมน ะ, ะแต่ผลลัพธ์แล้วก็มอบหมายกับล้อมสุภาษณ์นะถ้ามันผิดพลาดคือมันมีการผิดพาดได้แล้วก็เปลี่ยนใหม่มาแาดงว่ามัมผิด นักวิทยาศาสตร์เวลาผิดพลาดเขาไม่ได้โทษนะครับว่าเอ้ยทำไมคนนั้นทำได้ทําไมฉันทำไม่ได้ถ้าใครมาทําแบบนี้ามาพูดแบบนี้แสดงว่าเขาไม่เข้าใจกฎธรรมชาติหรือว่าวิทยาศาสตร์เช่นเดียวกนเราก็อยู่บนวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตร์ที่ผมมีฝากนิดนึงครับคนเข้าใจว่าวิทยาศาสตร์ อ, อิสลามสตูวิทยาศาสตร์ไหวิทยาศาสตร์อิสลามเป็นเนื้อเดียวกันประเด็นไม่ใช่ว่าคือวิทยาศาสตร์เป็นสิ่งที่ บางอย่าง้เราไปใช้คําว่าอะไรครับวิทยาศาสตร์ไม่สามารถพิสูจน์ได้เพราว่ามันมันมันก็อาจจะไม่ค่อยไม่ค่อยชัดเท่าไหร่อาจจะพอใช้ได้คำนีงแต่ว่าไม่ค่อยชัดเท่าไหร่เรใช้คำว่าวิทยาศาสตร์ยังไม่สามารถพิสูจน์ได้เพราะวิทยาศาสตร์เนี่ยคืออะไรปุ๊บเพราะบางทีเราไปใช้แบบนี้เนี่ยคนก็จะบอกอ๋ออิสลามเนี่ยต่อต้านวิทยาศาสตร์ไม่ใช่ฮะอิสลามต่อต้านอะไรต่อต้านความรู้ของคนที่มีจํากัดแล้วอ้างว่าตัวเองมีความรู้มากกว่าพระเจ้าดีต่อต้านตรงนี้ ชาไม่ต่อต้านวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตร์คือความรู้ของเราไอ้บุญอโ llum อโ l l u แปลว่าทร์แปลว่าวิทย า, าศาสตร์ซึ่งอโ l l ม m เนี่ยมาจากอัลลอฮ์ทุกความรู้มาจากอัลลอฮ์ทุกความรู้อัลลอฮ์อาลีบุญอัลลอฮ์เป็นผู้รอบรู้เป็นเจ้าของความรู้ทั้งหมดแต่นั้นเนี่ยชาไม่มีทางที่จะขัดแย้งกับวิทยาศาสตร์แต่ประเด็นคือวิทยาศาสตร์ปัจจุบันนี้เนี่ยทินิยามที่จะถูกต้องน ะ, ะมันไม่ใช่ทุกความรู้ใช่ไหมใช่ฮะถ้าวิทยาศาสตร์ในปัจจุบันนี้คือทุกความรู้ ก็ไม่ต ok e. ้องมีนักวิทยาศาสตร์อีกแล้วเพราะมันมีทุกความรู้แล้วแต่วิทยาศาสตร์คืออะไรฮะคือความรู้ที่มนุษย์หรือนักวิทยาศาสตร์ปัจจุบันในทุกวงการเนี่ยบรรลุถึงปัจจุบันนี้ในแต่ละสถานที่อันนี้คือวิทยาศาสตร์ที่กําลังหมายถึงใช่ไหมครับไม่ใช่ทุกความทุกความรู้มันเป็นความรู้ของอัลลอฮ์แต่วิทยาศาสตร์ที่มนุกำลหมายถึงคือความรู้ที่มนุษย์บรรลุแล้วมันจะเป็นไปได้ยังไงที่มนุษย์บรรลุแล้วมันจะมากกว่าความรู้ของอัลลอฮ์ที่เป็นคุตอ่าน แต่นี้เข้าใจนะบหมายถึงว่าอิสาเไม่ได้ปฏิเสธวิทยาศาสตร์แต่ปฏิเสธนะควรที่จะเอาวิทยาศาสตร์มาข้อความรู้ของคุณอา่านบอกว่าต้องพิสูจน์ก่อนนะได้ยังไงคือวิทยาศาสตร์คือความรู้ที่ผู้คุณกําลังค้นหาและพบเจอแบบที่มันมีจํากัดและผู้คุณยอมรับเองด้วยการที่สวงหาความรู้เพิ่มเติมใช่ไม่ใช่แสหาความพ่มเติมทำไมทำไมถเราเพ่มติมเพ่มเติมสดงว่าคุณกําลังยอมรับว่าความรู้มันยังไม่สุดจากวิทยาศาสตร์ที่กําลังค้นพบอยู่ใช่ไหม แต่คุณอ่านมีเพิ่มเติมไหมครับไปเพิ่มเติมนันก็ชัดเจนเพราะเป็นความรู้ของเราแล้วเพียงพอเนี่ยไม่ต่างกันวิทยาศาสตรความรู้ของเราเหมือนกันแต่มนุษย์นีน่คือไปถึงเนี่ยจุดหนึ่งอะไรต่างๆนะครับดังนั้นเนี่ยเราจึงบอกว่ายูรเจา uh ะว่าอีไลยูรเจาะอัลอัมรุกุลุทุกงานกับพระองค์ฝ่าประตูว่าตะวกลอะไรจงอิบารัดตลอดคหน้าที่และมอบหมาย ผลลัพธ์การงานต่างๆกับวอลท์ฮาร์วารมารบกาแล้วก็ให้ตังหนักในมูลนิธขอพูญต่อร้องที่ด้วยความโปรดปานของพระองค์ที่ทำให้ความดีงามต่างๆได้สมบูรณ์นะครับทำอย่างไรฉลองในเดือนต่อไปครัอ้งต่อไปที่ผมจะม า, าพูดคุยกับพี่น้อยนะครับจะนำเสนอในสุรอนนะสุรอนนะแปลว่าพึ่ง สุรพึ่งเนี่ยบุรุมาบางท่านเนี่ยเขาได้ใช้ชื่อว่าใช้ชื่อว่าสุรตุนีอัปสุรแห่งความโปรธบานเนื่องจากว่าแล้วผมก็ไปดูในในสุรเนื้อหาทั้งหมดของสุราานี้นะครับแล้วก็พบว่เาเขาก็กล่าวเยอะ ถ, ถึงความโปรธบานข อ, องอัลลอฮฺซุบฮานะฮุวะตลละมากมายมายในทุกอย่างเี่ผมเมืคิดตอนนั่งรับมานะ่ก็นึกทั้งหมดเลยนะที่อัลลอฮฺได้กล่าวถึงเนี่ย ทุกอย่างทุกอย่างที่มันกำลังได้รับความปวดปานล้วนแล้วแต่คือเยอะมากที่เราได้กล่าวถึงในสุรานี้นะุลบาฮาเขาจึงให้ชื่อหนึ่งสุรตุนนะฮัใช้ชื่อว่าสุรตุนเนียสุรความปวดปานมแล้วก็มีในายที่เราบอกาอินตอดนยมาตลลอฮิลาตุูฮะหากพระเจ้ารับนับความป่ดปานของเราไม่สามารถนับได้ในอายะนี้อายะแบบนี้นะมีกล่าวถึงสองสุร่สุรานะฮักับสุรอิบรอฮิ แล้วก็พูดถึงความบทบรานเยอะเหมือนกันขออัลลอ์เนี่ยเยอะแล้วก็บอกว่าหากนับความบทบานขออัลลไม่สามารถนับได้ในอายะห์ของซุราะอันนะเนี่ยอัลลอ์บอกว่าอินนัลลอฮ์ฮะลอัลลอฮูรริฮิมอัลล์เนี่ยเป็นผู้อภัยผู้เมตตาหมายถึงว่ามนุษย์เนี่ยจะไม่สามารถบรรลุสู่การขอบคุณในอย่างสมบูุณแบบนอกจากต้องอาศัยการอภัยโทษจากอัลลอฮ์ س ب ح ะเต็มหมายถึงว่าคือเราจะขอบคุณยังไงเนี่ยดุรมาเขาบอกว่า กการที่เราขอบคุณได้นี่ก็คือเป็นอีกหนึ่งความปวดบาตรเหมือนกับมันจะไล่มันก็ไล่ไม่หมดถูกไหมฮะเราขอบคุณต่อความปวดบาตที่เราให้อาหารการที่เราขอบคุณเนี่ยในี่คือความปวดบาตรสองวะแล้วเราขอบคุณการที่เราได้ขอบคุณก็เป็นอีกการให้ความปวดบาตรมันก็จะไม่สิ้นสุดนะฮะดังนั้นเนี่ยเราก็ต้องนหนักว่าเออมันจะรับไม่หมดรับไม่ทั่วเนะแต่วิธีการเนี่ฮะก็ต้องอิสติคฟาขออภัยโทษในในกันแล้วละไม่สามารถที่จะ น้ำความปดบานของเได้นะครับเป็นสุร้ที่น่าสนใจมากนะแล้วก็ส่วนหนึ่งจากสุร้อนนี้เนี่ยก็ได้กล่าวถึงหรือว่าน้ําพึ่งที่เป็นยารักษาในร่างกายของมนุษย์นั่นเองนะครับก็มีถูกกล่าวว่าในในสุร้อนนี้สุร้อนนะแล้วก็เป็นน้ําที่อยู่ใ น, ส, ใ น, ในสวรรค์แล้วก็แปลกมัเป็นยาที่หวานในภาษาไทยที่อาจจะบอกว่าหวานเป็นลงผมเป็นยาเนี่ยก็ต้องอาจจะจะมาเปลี่ยน เปลนสุภาษิตกัใหม่หวานนลเป็นยาาก็เป็นยาเหมือนกันเติมได้นะหาก็เป็นยาได้เหมือนกันอ l l a h จะมาศึกษากรนั้ต่อไปนะครับ